สวัสดีวันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายเพื่อจะได้อธิบายธรรมะแต่วันนี้ก็มาเป็นพิเศษเคหลวงพ่อมาคิดได้ถึงบทหนึ่งคาถาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าโลโพธรรมานัง ปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายธรรมะมากเท่าไรก็ยิ่งดีไม่ใช่หรือต่างคนก็ต่างคิดว่าเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าโลภแล้วธรรมะก็เป็นอันตรายเหมือนกันเหมือนกค่นคนที่พยายามทำสมาธิอยากจะให้ได้เร็วๆอยากจะบรรุเร็วๆ แต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็กลับกลายเป็นความโลภความโลภนั้นน่ะมันเป็นกิเลสกองใหญ่มันมีอยู่กิเลสอยู่สามกองคือราคะความกำหนัดกินดีก็เป็นกิเลสกองใหญ่โทสะความร้กาศก็เป็นกิเลสกองใหญ่ความหลงก็เป็นกิเลสกองความเป็นกิเลสกองใหญ่ ความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นความโลภที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายนั้นเช่นอย่างผู้ที่ทําสมาธิก็อยากให้ได้เร็วบอกว่าทําไมฉันจะได้พ้นทุกข์เร็วๆนั่นความโลภเมื่อความโลภเกิดขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นสัญญาสัญญานั้นก็คือเมื่อ เราเคยทําได้ดีทําสมาธิได้ดีก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกก็รีบทํารีบทํามันก็เลยดีไม่ได้เพราะว่าความโลภมาป้องกันแต่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัตินี้การวางพื้นฐานมันเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการวางพื้นฐานของการปฏิบัติจิตใ จ, จนั้น จำเป็นที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นไปตามปกติมันจะเป็นอัตโนมัติไปตามทางของมันเมื่อเราปฏิบัติไปด้วยความสม่ำเสมอไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปเจตต่างๆที่มันจะพัฒนามันก็จะเริ่มพัฒนาถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบ ก็เปรียบเทียบเหมือนกันกับว่าการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้นั่นน่ะเราจะไปรีบให้มันโตเร็วๆนั่นจับตรงนี้ไปวางตรงนั้นจับตรงนั้นไปวางตรงนี้ไอ้ต้นไม้นั่นมันก็ตายมันไม่สามารถจะงอกได้เพราะว่าความไม่เข้าใจของบุคคลแล้วจนั้นเมื่อเราจะปลูกต้นไม้ลงไปแล้วเนี่ย เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยละรดน้าความเติบใหญ่ต่างๆของต้นไม้มันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดไปตามอัตโนมัติของมันเช่นเดียวกันกับเราพากันเลี้ยงเด็กเราจะพยายามให้มันกินอยากให้มันโตวไวๆเดี๋ยวก็กลายเป็นเด็กอ้วน มันก็ใช้ไม่ได้ก็ทำให้เด็กเสียคนว่าเพราะเหตุของความโรคเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความโรคเป็นอันต ร, รายต่อธรรมทั้งหลายนั้นให้เราเข้าใจให้เข้าใจว่าคนเราโดยมากเนี่ยบางทีมีทุกข์มีร้อนอะไรก็อยากจะคนทุกข์คนทุกข์ไปซะแท้ที่จริงมันก็ผลไม่ได้ เพราะมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องทำให้เป็นไปตามบทบาทอย่างการเลี้ยงเด็กเนี่ก็จะต้องให้เป็นไปตามบทบาทค่อยๆให้อาหารไปทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าเด็กจะเติบโตไม่ใช่ว่าให้กินได้กินเอาหรือว่าทาให้มันต้องการให้มันโตเร็วๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําสมาธิการทําสมาธินั้นน่ะจะต้องทําสมาธิเป็นไปตามปกติเมื่อเป็นไปปกติแล้วเอจิตนี้มันจะพัฒนาตัวข้อมันเองไปตามปกติไปตามขั้นตอนเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอเมื่อการปฏิบัติเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอ ก็ตรง ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติหนทางกลางการปฏิบัติหนทางกลางนั่นนะ่ะท่านแปลว่าเป็นการปฏิบัติหนทางพอดีคำเทว่าพอดีนั่นนะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วสิ่งใดจะเกินพอดีไปแล้วมันจะไม่สำเร็จสิ่งใดจะหากว่ามันพอดีแล้วมันจะสำเร็จ เหมือนกันการรับประทานอาหารเนี่ยปากของเราเพียงเท่านี้เราก็ใส่เท่านี้มันพอดีจะใส่เข้าไปมากมายมันไม่ได้มันผิดปกติมันไม่พอดีถ้าใส่พอดีแล้วมันก็อิ่มให้พอดีใส่น้อยไปก็ไม่ดีใส่มากไปก็ไม่ดีพอดีเต็มคำนั้นก็พอดีเพราะฉะนั้นมันสาเร็จตรงพอดีอการผสมคอนกรีตที่เขาจะทาอาคารบ้านเรือน เขาก็ต้องสมเขาก็มีสัดส่วนการผสมของเขาให้มันพอดีหินเท่านี้ทรายเท่านี้ปูนเท่านี้มันก็แข็งแกร่งแต่หากว่ามันไม่พอดีไปสักอย่างหนึง่งมันก็แลเสียความแข็งแกร่งไปหรือไม้ที่จะมาตัดเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างนี้มันก็จะต้องตัดพอดีถ้าเกินพอดีไปเหมือนคือเนี่ยตัดเกินไปมันก็เป็นราคาไม่ได้ ตัดสั้นไปก็ไม่ได้ต้องตัดพอดีถ้าพอดีมันก็เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้เหมือนกันกับที่เราตัดเสื้อผ้าต่างๆก็เช่นเดียวกันก็ต้องพอดีไม่คับเกินไปแล้วก็ไม่ยานเกินไปเพราะฉะนั้นความพอดีจึงเป็นคนทางที่ให้เกิดความสำเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้น การปฏิบัติของพวกเราเราก็ดูระบบการปฏิบัติสมาธิมีระบบอย่างไรเราก็ทำไปตามระบบเมื่อทำไปตามการพัฒนาจิตใจมันก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลภะธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายนั้นย่อมเป็นความจริงสวัสดี สากห